บุ <Book> <54 S 3> ๊กทูห้าสิบสี่อยากไปนากูซื้อของกโนโ ก, นกลที่ฉันต้องการซื้อของขวัญเนี่ยในบ่กกับบหฮมอนนึงขว น, น, นั้นน่ะกดนานแต่เอาที่ไม่แพงมาก การีขายใหนูดีกาดุอาจจะเป็นกระเป๋าถือบหโฮซาว่กแฮนด์แบค็คุณอยากได้สีอะไรเอรังกูกาวาลิมีกุสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวนาลุปุโกธมรังกูเลดาเตลุปุใบใหญ่หรือใบเล็ก ชิ น, นดาเลด้าแปดดาดาขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะเนนดินี้ชุดจใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะอีดิ โ, โต้ลุตโตตัตอยอเจสินดาหรือว่าทำจากพลาสติกเลดาอีดิพลาสติกโตตัตตอยอเจสินะดาทำจากหนังแน่นอนคะ่ะ นิจังกะตลุ ต, ตัวเนี่ยเตรียมใจไดิใบนี้คุณภาพดีมากค่ะอีดีชาละน้อยยังไม่นดีและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะอีแบกนิจังกะชาละถักก็เวลาเกี่อมบัดต้นดีดิฉันชอบค่ะอีดีนากูนัดชินดีดิฉันเอาค่ะ นี่นูตีสกุลตานุดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการอาวาา่าสรุปไม่ได้เน้นเดนี่มาร์ชโกวะจ้าได้แน่นอนค่ะแต่ประคุณดะเราจะห่อของขวัญให้คุณมานันเดนี่บะฮุมมอนันลักะแปะเฉ็ดดมุที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ c คชเชี r a k อักคัดบนนั